บทภาชณี4ี่สมสเรรเทศที่สงนาสนะแล้วภิกษุสำคัญว่าถูกสงนาสนะแล้วปลอบโยนใช้เธอให้อุปถากคบหาหรือนอนร่วมต้องอบัตปาจิตติสมรรเทศที่ถูกสงนาสนะแล้วภิกษุไม่แน่ใจปลอบโยนใช้เธอให้อุปถากคบหาหรือนอนร่วมต้องอบัตทุกกฏสมรรถเทศที่ถูกสงนาสนะแล้วภิกษุสำคัญว่าไม่ได้ถูกสงนาสนะปลอบโยนใช้เธอให้อุปถาก คบหาหรือนอนร่วมไม่ต้องอบัติสมรู้เทศที่ไม <rules> ่ถูกทรงนาสนะภิกษุ ส, ส, ส, ส, ส, สําคัญว่าถูกทรงนาสนะต้องอบัติทุกกฎสมรู้เทศที่ไม่ถูกทรงนาสนะภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎสมรู้เทศที่ไม่ถูกทรงนาสนะภิกษุสําคัญว่าไม่ถูกทรงนาสนะไม่ต้องอบัติ